ตรัสดีแล้วเป็นธรรมอันภูปฏิบัติผู้ได้บรรลุพึงเห็นเองเป็นธรรมไม่ประกอบด้วยกาลเวลาเพราะเป็นสัจจะคือความจริงที่พระพุทธเจ้าต ร, รัสสรุอันเป็นความจริง ที่ทรงอยู่ดำรงอยู่ตลอดไปไม่มีการเวลาว่าเกิดขึ้นเมื่อใดและจะดับไปเมื่อใดธรรมะที่พระองค์ทรงสั่งสอนอยากธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสรู้ก็เป็นสัจวาจาวาจาที่เป็นของจริงของแท้ อันเป็นอมตะวาจาวาจาที่ไม่ตายดังได้มีพระพุทธภาษิตตรัสไว้อีกว่าสตัญจะธรรมโมนยรังอุเปติธรรมะของสัตว์บุรุษทั้งหลายไม่เข้าถึงชราคือเก่าแก่พ้นสมัยแต่เป็นของที่ไม่ชราไม่เก่าแก่ไม่พ้นสมัย ก็คือไม่ตายนั่นเองเป็นสัจวาจาที่ดำรงอยู่ดังที่ได้แสดงแล้วในครั้งก่อนและยังได้แสดงต่อไปอีกว่าการปฏิบัติธรรมก็ไม่ประกอบด้วยการเวลาการให้ผลของธรรมที่ปฏิบัติ ก็ไม่ประกอบด้วยการเวลาและแม้ว่าจะอธิบายคาว่ารมเป็นกุศลธรรมธรรมที่เป็นกุศลคือส่วนดีเป็นกิจของคนฉลาดอากุศลธรรมธรรมที่เป็นอกุศลคือส่วนชั่วเป็นกิจของคนไม่ฉลาดเป็นอัพยากตรตธรรม ธรรมะที่ไม่พยากรณ์ว่ากุศลหรืออกุศลคือเป็นกลางๆไม่ดีไม่ชั่วก็คงเป็นจัจตธรรมธรรมะที่เป็นความจริงเมื่อเป็นอกุศลธรรมก็เป็นอกุศลธรรมเมื่อเป็นกุศลธรรมก็เป็นกุศลธรรม เมื่อเป็นอัพยกรธรรมก็เป็นอัพยกรธรรมอยู่ทุกการสมัยซึ่งยังได้มีพระพุทธภาจิตรัสเอาไว้ถึงความเป็นใหญ่ตามที่ถือกันอยู่แสดงกันอยู่เป็นไปอยู่คือโลกาทิปไตยโลกเป็นใหญ่ อัตตาทิปไตยตนเป็นใหญ่ธรรมมาทิปไตยธรรมะเป็นใหญ่สำหรับที่เป็นโลกาทิปไตยโลกเป็นใหญ่นั้นไม่แน่นอนโลกคือหมู่ชนบางคราวก็ว่าอย่างนั้นดีอย่างนี้ไม่ดีแต่บางคราวก็ว่ากลับกัน ว่าอย่างนี้ดีอย่างนั้นไม่ดีสุดแต่นิยมของหมู่ชนส่วนข้อที่ว่าตนเป็นใหญ่นั้นก็ไม่แน่นอนเช่นเดียวกันบางคราวตนเองก็ว่าอย่างนั้นดีอย่างนี้ไม่ดีแต่บางคราวก็ว่ากลับกันว่าอย่างนี้ดีอย่างนั้นไม่ดีตาม ความคิดเห็นของตนที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเช่นเดียวกับนิยมของโลกที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ว่าธรรมมาทิปไตยธรรมะเป็นใหญ่นั่นเป็นสิ่งที่แน่นอนคือมุ่งเอาธรรมะที่เป็นสัจจะคือความจริงเป็นใหญ่เมื่อเป็น กุศลละรมจริงก็ตรงเป็นกุศลอยู่ตลอดไปเมื่อเป็นอกุศลละจรรมจริงก็เป็นอกุศลอยู่ตลอดไปเมื่อเป็นอัพยากาธรรมธรรมะที่เป็นกลางกลางจริงก็เป็นอัพยากาธรรมอยู่ตลอดไปไม่มีเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสแสดงถึงอถึงอติตปัปตายไว ในพระสูตรอื่นอีกว่าตันหาที่ปไตยตันหาเป็นใหญ่ธรรมมาที่ปไตยธรรมะเป็นใหญ่สาหรับโลกาที่ปไตยอัตตาที่ปไตยนั้นในเมื่อโลกคือมูชนและอัตตาคือตัวเองยังมีตันหาอยู่ก็ยอมจะ ต้องมีตัญหาทิปไตยตัญหาเป็นใหญ่แต่ถ้าโลกก็ดีตนเองก็ดีมีธรรมะเป็นใหญ่ไม่ลุกอำนาจแห่งตัญหาก็เป็นธรรมาีิปไตยและในการที่จะไม่ลุกอำนาจแห่งตัญหานั้นก็จะต้องมีสติต้องมีปัญญาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสแสดง สติว่าเป็นสตาทีิปไตยสติเป็นใหญ่ซึ่งเป็นข้อสอนให้ทุกๆุกคนได้พากันทำสติความระลึกได้ระลึกรู้พร้อมกับปัญญาคือความรู้ทั่วถึงให้เป็นสตาทีิปไตยสติเป็นใหญ่อันนาให้ได้ปัญญาเป็นใหญ่จึงจะพบ ธรรมาที่ปไตยธรรมะที่เป็นใหญ่ได้ถ้าไม่เช่นนั้นก็จะต้องมีตันหาที่ปไตยตันหาเป็นใหญ่กันอยู่นั่นแหละจะอ้างว่าอะไรเป็นใหญ่กันก็ตามแต่เมื่อลุกอำนาจของตันหากันอยู่ก็ยังคงเป็นหาเป็นตันหาที่ปไตยไม่อาจจะเข้าถึงธรรมมาที่ปไตยได้เมื่อเข้าถึงธรรมมาที่ปไตยไม่ได้ ก็ทําให้เกิดความสุขความเจริญโดยส่วนเดียวไม่ได้ต้องเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนกันอยู่ร่ําไปตั้งแต่ส่วนน้อยจนถึงส่วนใหญ่เพราะตันหานั้นเป็นตัวทุกข์มุทุกข์มุดไทยเหตุให้เกิดทุกข์ดังที่ตรัสแสดงไว้ในอริยสัจทั้งสี่ เ, เหล่านี้ก็เป็นสัจธรรมธรรมะที่เป็นตัวความจริง ที่เป็นอากาลิโกไม่ประกอบในการเวลาในครั้งไหนไหนยุคไหนไหนในอดีตในปัจจุบันตลอดไปถึงภายหน้าคงเป็นสัจธรรมธรรมะที่เป็นตัวความจริงอยู่นั่นเองในการปฏิบัติธรรมที่เป็นอากาลิโกไม่ประกอบในการเวลานั้นก็คือ การละอกุศลธรรมการทำกุศลธรรมให้ถึงพร้อมการชำระจิตของตนให้ผ่องใสเป็นข้อที่พึงปฏิบัติอยู่ทุกการสมัยในวันหนึ่งวันหนึ่งก็ไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นเวลาเช้าเวลากลางวันเวลาบ่ายเวลาเย็นเวลากลางคืน คือเป็นข้อที่พึงปฏิบัติอยู่ทุกเวลาดังได้มีพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้อีกว่าทําดีเช้าก็เป็นเกดีเวลาเช้าทําดีกลางวันก็เป็นเลิกดีเวลากลางวันทําทดีเวลาเย็นก็เป็นเลิกดีเวลาเย็นพราดังนั้น เลิกดียามดีนั้นจิงขึ้นอยู่แก่การทำดีทำดีเมื่อใดก็เลิกดียามดีเมื่อนั้นแม้ในทางพระวินัยพระพุทธเจ้าก็ตรัสแสดงถึงเวลาที่พึงประกอบกระทำสังฆกรรมทั้งหลายว่าเป็นเวลาที่ความพรั่งพร้อมของสงถึงที่แล้ว ดังที่แสดงไว้ในคํำสวดสังกกรรมว่ายาดิสร้างคดสะปัตตกันหลังผีว่าความพรั่งพร้อมของสงถึงที่แล้วก็พึงประกอบสังกกรรมนั้นๆดังนี้เพราะฉะนั้นความพรั่งพร้อมของสงนี่แหละ เป็นเวลาที่เรียกว่าฤกษ์ดียามดีในการประกอบสังกกรรมของทรงและเมื่อพิจารณาดูโดยสัจจะคือความจริงแล้วก็ย่อมจะเห็นว่าแม้ในการประกอบกิจกรรมทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเมื่อมีความพรั่งพร้อมถึงที่ก็ประกอบกิจกรรมนั้นๆได้เป็นสัจจะคือความจริงที่ ใช่ได้อยู่ทุกการสมัยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจึงไม่ประกอบด้วยการเวลาดังที่กล่าวแต่ในข้อปฏิบัติอันเกี่ยวแก่และเมื่อพิจารณาโด ย, โดยสัจจะคือความจริงแล้วก็ย่อมจะเห็นว่าแม้ในการประกอบกิจกรรมทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน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 กาละเทศะต่างๆดังที่ได้เคยแสดงแล้วว่าให้แสดงธรรมะโดยการให้สนทนาธรรมโดยการให้มีการรัญยูรู้การเวลาเหล่านี้ก็เป็นข้อที่พึงปฏิบัติจำเพาะกิจจำเพาะ อ, อย่างที่เกี่ยวกับการเวลาอันเกี่ยวแก่ บุคคลหรือหมู่ชนเป็นต้นซึ่งคำสั่งสอนนี้ ก, ก็เป็นคำสั่งสอนที่ใช้ได้ทุกการสมัยแต่ที่กล่าวว่าการทำความดีทำได้ทุกการเวลานั้นก็เป็นคำกล่าวรวมๆเพราะความดีนั้นเมื่อจำแนกรายละเอียดไปก็มีมากความดีอะไรที่ควรทำก่อนทำหลัง ทำเวลาไหนที่ไหนก็ต้องทำให้พอเหมาะพอควรแต่ทั้งหมดนี้ก็รวมอยู่ในคำว่าความดีเมื่อทำถูกทำเหมาะดังกล่าวนั้นจึงเป็นความดีจึงเป็นข้อปริกย่อยออกไปแต่เมื่อประมวลเข้ามาแล้วในคำเดียวว่าความดีก็พึงทำให้เป็นความดีอยู่ทุกการสมัยไม่เลือกว่าเวลาไหน แต่ว่าเวลาไหนจะทำความดีอย่างไหนนั้นก็สุดแต่ความเหมาะสมดังที่กล่าวเพราะฉะนั้นจึงต้องเข้าใจในธรรมะที่สั่งสอนรู้จักจำแนกแจกแจงให้ถูกต้องเหมือนอย่างว่าการใช้ยาแกโรค เมื่อป่วยก็ต้องใช้ยาแก้โรคแต่ว่าจะใช้ยายอย่างไหนแก้โรคอย่างไหนใช้ในเวลาไหนก็เป็นรายละเอียดของแต่ละรายซึ่งต้องปฏิบัติให้ถูกต้องแต่รู้ความพอแล้วก็คือว่าใช้ยาแก้โรคซึ่งก็ต้องก็จะต้องใช้กันอยู่ในเวลาเมื่อเกิดโรคภัยไข้เจ็บเช่นเดียวกัน และความดีที่ควรทำอยู่เสมอเช่นเดียวกับที่ควรละความชั่วอยู่เสมอและควรชำระจิตใจของตนให้ผ่องใสอยู่เสมอนั้นจึงเป็นข้อที่ปฏิบัติไม่จำกัดในการเวลาดังที่กล่าวมาแล้วโดยส่วนรวมคือว่าจะทำอะไรเวลาไหนาก็ให้ดีก็แล้วกัน อย่าให้ชั่วให้ดีก็แล้วกันแต่ว่าจะดีอย่างไรนั้นก็จะต้องศึกษาให้รู้จักและปฏิบัติให้ถูกต้องและเมื่อเป็นดังนี้แล้วก็จะได้รับผลของการปฏิบัติทันทีที่ปฏิบัติอันไม่ประกอบด้วยการเวลาเช่นเดียวกันในเรื่องการทําดี ที่ควรทำไม่จำกัดในดการเวลาดังกล่าวมานั้นก็ยังมีผู้ที่ไม่เข้าใจกันอยู่เป็นอันมากเช่นบางคนเมื่อตั้งใจทําความดีที่เข้าใจว่าเป็นความดีเช่นตั้งใจทําทานตั้งใจรักษาศีลตั้งใจเจริญภาวนาแต่ว่าก็มาบ่นว่า ไม่เห็นจะได้ดีสักทีหนึ่งคือหมายความว่าไม่เห็นจะบรรลุถึงผลที่ต้องการเช่นว่าต้องการได้ทรัพย์ก็ไม่ได้ทรัพย์ต้องการได้ยศได้ตำแหน่งก็ไม่ได้ยศได้ตำแหน่งติ่นึกว่าโนควรจะได้ก็ทำให้ท้อใจ ในการยิกจกิจจะทำความดีมีเข้าใจกันอยู่อย่างนี้เป็นอันมากซึ่งทำให้รู้สึกว่าการประพฤติรมนั้นไม่ให้ผลเป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาไม่ให้ผลเห็นทันตาหรืออาจจะไม่ให้ผลเลยก็ทำให้เลิกประพฤติและ ที่มีความเข้าใจในพุท ธ, ธานุภาพพร้อมทั้งธรรมานุภาพสังขานุภาพไปในทางผิดก็มีอีกเป็นอันมากเช่นเข้าใจว่าอาศัยพุท ธ, ธานุภาพด้วยการที่อธิฐานขอพรจากพระพุท ธ, ธรูปที่เข้าใจว่าศักดิ์สิทธิ์ขอให้เป็นผูชนะ ตั้งแต่ชนะในการที่ประชันแข่งขันจำเพาะตัวจำเพาะตัวตลอดจนถึงชนะที่เป็นส่วนรวมเั็นว่าชนะสงครามครั้นไม่ชนะกลับแพ้ก็ทำให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าไม่มีประโยชน์พระทับไม่มีประโยชน์ประสงค์ไม่มีประโยชน์ช่วยให้ชนะไม่ได้ จนถึงเสื่อมศรัทธานในพุทธศาสนาหรือว่าเลิกนับถือพุทธศาสนาไปก็มีด้วยความเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นจึงต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องหรวงพุทธเจ้ามาได้ทรงสอนว่าทรงมีพุทธานุภาพให้ผู้นับถือไปรบใครแล้วก็ชนะหรือว่าไปแข่งขันอะไรกับใครแล้วก็ชนะ มีพุท ธ, ธานุภาพที่จะทำให้ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายมีพุท ธ, ธานุภาพที่จะทำให้พ้นจากผลของกรรมของตนที่จะพึงได้รับได้ปัดเป่าให้พ้นจากผลไร้อันจะเกิดจากกรรมที่ตนเองทำไว้ได้พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้เองว่าทุกคนมีกรรมเป็นของของตน ทำกรรมดีจัดดีดีทำกรรมชั่วจักได้ชั่วเพราะฉะนั้นถ้าพระองค์ไปทรงช่วยได้ว่าทำกรรมชั่วแล้วไม่ต้องได้ชั่วคำที่พระองค์สอนไว้ก็กลายเป็นไม่จริงไม่เป็นไม่ใช่เป็นสัจธรรมธรรมะที่เป็นตัวความจริงไม่ใช่เป็นอมตะวาจาวาจาที่ไม่ตายกฎของกรรมก็ต้องเป็นกฎของกรรม ต้องเป็นไปตามที่สงสอนเอาไว้แต่ว่าพระพุทธเจ้านั้นได้ทรงช่วยทางจิตใจเพื่อให้จิตใจได้ที่พึงจิตใจบริสุทธิ์ให้ประกอบคุณงามความดีตั้งอยู่ในทานในศีลในภาวนาเป็นตน้นอันเป็นบุญซึ่งเป็นที่พึงของตน เพราะฉะนั้นแม้ภูที่กรมมาถึงอันจะทําให้ต้องถึงแก่ความตายเมื่อได้พบพระพุทธเจ้าได้ผิดพึ่งทางใจจากพระพุทธเจ้าได้ศรัทธาภาษาธาในพระพุทธเจ้าได้ดวงตาเห็นธรรมจากธรรมะที่ทรงสั่งสอน ก็แปลว่าได้ประสบบุญได้ที่พึ่งของจิตใจแล้วเมื่อต้องตายไปก็มีคติดีเป็นที่ไปอันเป็นสุ ข, ขติพระองค์ได้โปรดดังนี้ไม่ใช่ว่าจะไปโปรดให้เขาพ้นจากผลของกรรมที่เขาจะต้องได้รับดังที่ได้ทรงโปรด ทิดาของช่างทอหุกซึงนางจะต้องถึงแก่ความตายในวันนั้นตามกรรมที่นางได้กระทํำเอาไว้พระองค์ได้เสด็จไปดักพบนางเมื่อนางบิดาของช่างทอหุกนั้นกําลังจะไปสู่โรงหูกของบิดานางได้พบได้เฝ้าพระพุทธเจ้าได้สนทนาตอบ ปุชชาของพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมะจากพระองค์ได้ดวงตาเห็นธรรมได้ศรัทธาได้ประสาธะได้ทีพึงทางใจเป็นอย่างดีก็ไปสุรงทอหกบิดากำลังนั่งหลับอยู่กับหกเมื่อทิดาของตัวไปถึงก็ตกใจในเสียงที่บิดาเดินเขับที่ทิดาเดินเข้าไป ก็เวียนกตะสวยหกออกไปประทบทิดาของตนโดยแรงจนถึงในความตายทันทีก็เป็นไปตามผลของกรรมที่หนังในกระทําเอาไว้แต่หากว่าผู้ที่มีความเชื่อถือศักดิ์สิทธิ์ในพุทธศาสนาดังที่กล่าวมาข้างตน้นก็จะต้องกล่าวว่าพระพุทธเจ้าช่วยไม่ได้ เป็นพระพุทธเจ้าแล้วน่าจะไม่ตายอาจจะเข้าใจผิดอย่างนั้นได้แต่ผู้ที่เข้าใจพุทธศาสนาแล้วก็จะไม่เข้าใจอย่างนั้นจะต้องเห็นว่ากรรมนี้ใครทําไม่ก็ต้องได้รับผลของตัวเองตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้เรียกว่าเป็นคําประกาศสิทธกรรมดีได้ทํากรรมดีได้รับผลดีทํากรรมชั่วได้รับผลชัว่ว เป็นสัจวาจาเป็นอมตาวาจาเป็นคำประกาศสิทธิ์ที่ไม่มีเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นพระองค์ก็โปรดได้ในทางที่จะพึงโปรดได้โดยการที่ให้ผู้ที่จะต้องประสบเคราะกรรมอย่างแรงนั้นได้พบพระองค์และได้ที่พึงทางใจจากพระองค์ไป ดังที่กล่าวก็เป็นอันว่าเป็นภูที่ไปดีแน่นอนไม่ไปสู่ทุกขติคือกติที่ชั่วโรงตรงช่วยดังนี้เพราะฉะนั้นเมื่อขับใจเราพุทธจาสนาให้ถูกต้องดังนี้แล้วก็จะเข้าใจถูกต้องเช่นว่าในการที่จะได้ผลอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นลาบก็ดีเป็นยอดก็ดีเป็นต้นนั้นต้องอาศัยประกอบเหตุที่เป็นปัจจุบันและก็ต้องประกอบกับเหตุแวดล้อมบุคคลที่เวดล้อมอีกเป็นอันมากเป็นไปตามทางโลกตามกระบวนการของโลกที่มีผิดบ้างมีถูกบ้างดีบ้างชั่วบ้าง เพราะว่าโลกนั้นเป็นตัญหาที่ปัตตยกันอยู่ดังที่กล่าวมาแล้วแม้ตัวเองก็เป็นตันหาที่ปัตตยกันอยู่ตามที่กล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อต้องการลาบอันใดเช่นว่าต้องการที่จะได้ข้าวทำนาจะได้ข้าวจะไปทำทานทำศีลทำภาวนาแล้วให้ข้าวงอกขึ้นในานานั้นเป็นไปไม่ได้จะต้องทำนา จงจะได้ข้าวขึ้นมาดังนี้เป็นต้นและธรรมะของพระพุทธเจ้าที่จะใช้ในเรื่องเหล่านี้ก็ทรงสอนเอาไว้แล้วคนตของการประโยชน์ปัจจุบันเหล่านี้ก็จะต้องมีอะไรบ้างในหมวดทิฏฐธรรมิกถะประโยชน์ปัจจุบันมีอุทาสัมปธทาถึงพร้อมในความขยันมันเพียนแลนะกั์สัมปทาถึงพร้อมในการรักษา กัญยาณมิตตาครอบเพื่อนมิตรที่ดีงามสมชีวิตตาเลี้ยงชีวิตตามต้องคนกับกำลังทรัพย์หามาได้เหล่านี้เป็นต้นต้องปฏิบัติเหตุให้ถูกแก่ผลในทางโลกก็ย่อมจะได้ผลจะไปทําทา น, นารักษาเสียนเจริญภาวนาเพ่งดูนาให้ข้าวงอกขึ้นมานั้นไม่ได้เป็นการปฏิบัติผิดทาง มิจะหาว่าทําดีไม่ไดีดีทําดีไม่ได้ข้าวไม่ได้ลาบทําทดีไม่ได้ยศ ด, ดังนี้ก็ไม่ได้พระพุทธศาสนานั้นตรัสสอนให้ละกิเลสละตัณหาละโลภละโกรละลงเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติเพื่อที่จะละกิเลสตามที่ตรัสสั่งสอนไว้นั้นซึ่งมีเป้าหมาย คือนิพพานในที่สุดอันเป็นธรรมะที่สิ้นกิเลสและกองทุกนี่เป็นการปฏิบัติตรงในพุทธศาสนาปฏิบัติเมื่อใดก็ได้รับผลเมื่อ น, นั้นปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญาเมื่อใดก็ได้รับผลเมื่อ น, นั้นทาทานเมื่อใดก็ได้รับผลเมื่อ น, นั้นเพราะเป็นเครื่องขัดเกลาํำระจิตใจจากตัณหาจากโลภจากโกรธจากหลง หรือว่าจากราคะโทสะโมหะเป็นตน้นทำเมื่อใดก็เป็นการชาระเหมือนนั้นเป็นผลเมื่อ น, นั้นรวงความก็คือว่าทำดีเมื่อใดก็ได้เป็นผู้ดีเมื่อ น, นั้นมีภาวะเป็นคนดีเมื่อ น, นั้นทำชั่วเมื่อใดก็มีภาวะเป็นคนชั่วเหมือนนั้นเป็นภาวะที่ปรากฏอยู่ที่จิตใจที่ตัวเองในภายใน ขึ้นทันทีที่กระทำดีหรือกระทำชั่วต้องมันพิจารณาดูตัวเองให้เห็นสัจจะคือความจริงอันนี้ให้รู้จักดีจากชั่วที่เป็นส่วนเหตุให้รู้จักดีจากชั่วที่เป็นส่วนผลอันมีขึ้นทันทีตามลำดับของการกระทำดังนี้ตั้งแต่เบื้องต้นเรื่อขึ้นไปจนถึงขั้นมรรคผลนิพพานก็เช่นเดียวกัน ย่อมให้บังเกิดเป็นบังผลเป็นนิพพานเป็นตามลำดับที่ปฏิบัติถึงขั้นถึงวาระทุกการทุกสมัยไม่กําหนดด้วยการเวลาเมื่อครั้งพุทธกาลเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลกแตกต่างกันเพราะฉะนั้นธรรมะจึงเป็นอากาเิโกไม่ประกอบด้วยการเวลา ต่อไปนี้ก็ขอให้ใยตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทาความสงบสืบต่อไป